การพาเพื่อที่จะบรรลุธรรมค่ะการรษาก็เป็นโอกาสที่ที่พระเราจะได้อยู่อยู่ประจำประจาที่สมัยที่พระศาสดาอยู่พระองค์ก็ให้ภิกษุเนี่ยบอกว่าให้ปาลกความเปลี่ยนให้ยิ่งกว่าประมาณก็คือพยายามขยันทำความเปลี่ยนให้มากขึ้น ถ้าเราขยันทาํน า, น า, า, าความเพียรมากขึ้นสร้าความเพียรอย่างติดต่อสมั น, นเสมอก็เป็นเหตุให้เราสามารถบรรลุ ธ, ธรรมได้ไวขึ้นความเร็วในการบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยพระเจ้าก็ตัดไว้ห้าอย่างนึงมีศรัทธาไหมนะศรัทธามีวิริยะนะความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญามีอินทรีย์ห้าประการ <c oughs> ถ้าเรามีโอกาสที่จะอยู่ประจําเป็นที่ได้แล้วเนี่ยก็ให้พยายามใช้โอกาสนั้นในการที่จะปาราลบความเพียรอันนิสงในการอยู่เป็นที่เนี่ยจะมีนพระองค์บอกว่าเราจะได้บรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุจะไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้ว จะแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วมีอาภาธน้อยเป็นคนมีนิดมากนิรสหายเราจะเยอะแต่ถ้าเราเคลื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวไปโน่นไปนี่เรื่อยๆเนี่ยนิรสหายเราจะน้อยเราจะมีอาภาธมากเราจะไม่บรรลุในสิ่ง<ม>ที่ยังไม่บรรลุและจะเสื่อมจากสิ่ง<ม>ที่บรรลุแล้ว และจะไม่แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วนะอันนี้ในกรณีถ้าเราไม่อยู่เป็นที่พนะระศาสดาจึงสรรเสริญอ น, นุสงการอยู่เป็นที่ไว้คนะ่อนข้างมากสถานที่บ้านเราก็ได้นะเรือนว่างนะที่ที่ปรงแนะนำเนี่ยท้องถ้ำเชนเนื้อผาป่าช้าป่าชัด ที่แจ้งลอมฟางโคลนไม้เรือนว่างนะเรือนว่างว่า ง, นะ ง, า ง, างจากผู้คนเราก็อาศัยนั่งที่เดินจงกลมปราลกความเพียนไปนะี่ใกล้ขภาพันษาแล้วนะเหมือนเพิ่งผ่านปีใหม่มาได้แป๊บๆเดีดเยวเร็วมากนะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ครูเนะจ้าให้ให้พวกเราถามตัวเอง เรื่องที่เราควรรู้อันดับแรกของชีวิตคือการมารู้อริยสัจสี่ต้งบอกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแต่ก็ยังมัวแสวงหา สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองพระศาสดาบอกทาไมไม่สแสวงหาความไม่ตาย<ม>เราเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อเช้ามีคนถามว่าไม่รู้เกิดมาทำไมนะเกิดมาเพื่อให้รู้อะเลสสัตติ<ม>เพื่อสแสวงหาธรรมะอันไม่ตายนะ ทำยังไงจะไม่ต้องตายอีกต่อไปอันนี้คือเป้าหมายของคำสอนที่ข้าพุทธมีพระภากเจ้าได้บอกสอนเอาไว้เป็นหลักเป็นแก่นของธรรมอะไรที่มีความเสื่อมนะความแก่เจ็บตายความเศร้าหมองนะมีความทุกข์เป็นธรรมดาก็คือบุตรภรรยานะสามี ฆ่าท่ า, ทาบริวารนะคนใช้ทรัพนยะ์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนี่เป็นธรรมชาติที่มีความเสื่อมนะความสิ้นไปมีความเศร้าหมองพนะระศาสดาจึงให้เราเนี่ยพยายามละนะอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ และแสวงหาสิ่งอันไม่ตายจริงๆพวกเราเนี่ยมีธรรมชาติที่ไม่ตายอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราดันไปพอใจของเกิดของตายธรรมชาติที่ไม่ตายของเราเนี่ยบันดันมาพอใจขันห้าซึ่งเป็นของเกิดของตายธรรมชาติที่ไม่ตายของพวกเราเนี่ยพระเจ้าจะเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีปัญหาเป็นเครื่องขู่ ธรรมชาติเดิมของพวกเราจริงๆชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ร่างกายจิตใจ น, นี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอวิชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาคือความอยากเป็นเครื่องให้เราเนี่ยผูกติดอยู่ในภพทั้งหลายในสังสารวั ต, นตวไรนะก็เลยไม่สามารถที่จะออกจากธรรมชาติเหล่านี้ได้อืม เลยต้องมีการฝึกฝนนะมีการฝึกฝึกตามหนทางอะไรหนทางที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้หรือระบบเหล่านี้หรือความหลงเนี่ยคือมักมีองแปลมักมีองแปลหรือศสียนสมาธิปัญญาจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยหายหลงหมดอวิชชานะและทำวิชาให้เกิดขึ้น ธรรมชาติที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกเมื่ออวิชชาหมดไปตันหาความอยากจางคลายไปตัวธรรมชาติเดิมนี่แหละจะเป็นธรรมชาติที่มีวิชานะและจะถูกเรีกยกไบว่าวิมุตติยานัตสนะซึ่งธรรมชาติเนี้ยไม่ตายจริงๆชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายนะเพียงละวางความพอใจ ในขันตั้งห้าในธรรมชาติทั้งห้านี้ให้ได้โยนก็จะกลับเข้าสู่ธรรมชาติเดมิมจริงๆแล้วพระเจ้าก็คือต้องการให้พวกเราเนี่ยกลับเข้าสู่ธรรมชาติเดิมของพวกเราโดยวางของปลอมออกเสียของปลอมของไม่จริงของปลอมเนี่ยมีอะไรร่างกายเราเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์นะสัญญาความจําสังหารความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งหธรรมชาติเนี่ย ไม่ใช่ตัวเราของเราพระพุทธเจ้าจึงให้มองว่ามันแปลเปลี่ยนได้นะเราควบคุมมันไม่ได้ผมก็หงอกไปเป็นธรรมดาฟันก็หลุดร่วงไปเป็นธรรมดาทุกอย่างเสร็มหมดโดยที่เราควบคุมอะไรมันไม่ได้นั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาแล้วเราจะต้องเรียนรู้ มาปฏิบัติธรรมกันกี่วันเนาะสามวั น, วนเป็นไงได้เรียนรู้อะไรบ้างได้สวดอนาปานาสีไปเนาะ ม, มีข้อสงสัยในธรรมะหรือข้อสงสัยในศาสนาพุทธไหม ใครสงสัยก็ถามมาได้เลยเนาะเดี๋ยวจะตอบให้ ม, มีเวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งวันนี้อาจจะเลิะไฟนิดหนึง่งขอโอกาสแล้ว ค, ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่กล้าถามเขียนเป็นกระดาษก็ได้นะคะเขียนคาถามใส่กระดาษก็ได้นะคะได้ทั้งถามกระดาษถามสดก็ได้ รู้จักพุทธวจนะกันบ้างไหมเนี่ยรู้จักไหมไม่รู้จักเหรอโอ้เป็นชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้านจริงๆอันนี้จะแจกซีดีให้สองแผ่นเป็นดีวีดีเจ็ดเรื่องนะแล้วก็อีตจปิตะกะนะร <c oughs> ัตบิดกอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง ที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้โยมเนี่ยได้รู้คำสอนของพระศาสดาหนังสือทุกเล่มนะจะมีในแผ่นนี้นะพร้อมโปรแกรมในการตรวจค้นหาใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการนะของคอมพิวเตอร์ตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะจะช่วยให้เราเนี่ยสืบค้นข้อมูลที่ ที่มีอยู่ในศาสนาพุทธว่าอะไรจริงอะไรปลอมเราจะได้เดินในสิ่งที่ถูกต้องได้เคยกวดน้ำกันไหมเนี่ยเคยครูเจ้าสอนหรือเปล่าไม่ได้สอนไม่สอนแล้วทำทำไมเนอะอืม เราต้องสืบท อ, อดข้อวัดของพระศาสดาใช่ไหมโยมไปสืบท อ, อดข้อวัดใครนะัน้นโปรกแกรมตัวนี้ตรวจได้โยมคียคําว่ากรวดน้ําเข้าไปวินาทีเดียวก็เช็คได้ว่าไม่มีในคําสอนศาสนาพุทธนะนั้นพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเล่นตรวจน้ำนั่นะเคยได้ยินแปดหมื่นสี่พันพัฒมขันไมพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติ ตรวจได้ในโปรแกรมผ่นนิ้งน ะ, ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเมื่วไดกบารีสามรัฐนะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ได้รับ ก, การถ่ายทอดมา พระเตวิโดกทั่วประเทศในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ของมหามงกุฎนี่ของมหาจุฬาลงกรราชชิเทียลัยสองอันเนี่ยเอามาจากตัวนี้นะตัวนี้ใครเป็นคนทํารัชกาลที่ห้าเป็นคนทำโดยแปลจากพระเจ้าตวิโดกที่เป็นไบลานนะ ที่เป็นอักษรหอมจานลงในใบลานรอห้าขอประชุมพระร้อยลูกแปลกลับมาเป็นอักษรสยามนะเพราะนั้นเรารู้จักศาสนาพุทธทุกวันเนี่ยเป็นเพราะราชการที่ห้านะถ้ารอห้าไม่ทำตัวนี้เอาไว้เนี่ยโยมไม่รู้จักศาสนาพุทธหรอกทุกวันเนี่ยเรารู้แต่ว่ารอห้าทำ ภูรูประการด้านต่างๆรถไฟปรับปลาอะไรต่ออะไรนี่นี่นมีศาสนาพุทธด้วยนะไม่งั้นโยมจะไม่รู้จักศาสนาพุทธพระก็สอนกันไปโคนลแนวคนลทิโคนลทางประชาชนก็ถือผีถือสางกันร้อห้าก็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวนะก็เลยพยายามขอประชุมพระเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถช่วยแปล ى, มาเป็นอักษอนสยาม รอหาเอาพระตรดกใบลานมาจากไหนเอามาจากที่รัชการที่หนึ่งรัชการที่หนึ่งทำเมื่อปีสองสามสามหนึ่งยุคนั้นหลักฐานหมดแล้ว <ico le af> ก็เลยไปยืมพระตรดกจากประเทศลาวจากรามันมาแล้วรวมพระได้สองร้อยกว่าลูกให้ช่วยกันลอก พระเจดดกเป็นอักษรอนอมเก็บไว้ในหอมนเทนธรรมที่วัดพระแก้ว <c oughs> รอบหนึ่งไปถวายน้ำปณะนะไปถวายอาหารเช้าให้พระสองร้อยกว่าลูกตอนเช้าไปถวายน้ำปณ ะ, ะตอนเย็นวันละสองรอบตลอดห้าเดือนการคัดลอกพระเจดีดกจึงเสร็จ <c oughs> จึงตกทอดมาถึงรัชกาลที่ห้า แล้วรอห้าจึงรวมพระช่วยกันแปลเป็นอักษรสยามนะแล้วก็ได้มาเป็นภาษาไทยปัจจุบันนี้นี่คือหลักฐานที่มาที่ไปแล้วประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสมณทูตไปก้าวสายกระจายไปทั่วโลกเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยยุคทวาราวดี ในประเทศไทยเราจะเจอหลักฐานตรงนี้ที่ลบบุรีที่เพชรบูร์เป็นก้อนศิลาสลักข้อมูลเนี่ยตรงกับในบาลีสียมัสตรูรนี้นะเนื้อหาเหมือนกันเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทพระเจ้าโศพอยู่ประมาณสองร้อยปีหลังผู้เจ้าปริญิพยณพานใกล้ๆเลยใกล้ๆเล ย, เ, ลยเหมือนคุณปู่เราคุณทวดเราเนี่ยพอเห็น พอมีหลักฐานพระเจ้าโศกสลักลงในเสาหินโศกใครไปอินเดียจะได้เห็นเสาหินโศกในเสาหินโศกนั้นจะมีการจารึกอักษรเรียกอักษรครามีภาษาปราจีนเป็นต้นกําเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันก่อนสมัยพระเจ้าโศกพระใช้การทรงจําเป็นหลัก แล้วถ่ายทอดทางปากเรียกมุขปาฐะนะถ่ายทอดทางปากไปเรื่อยๆบอกต่อกันต่อกันพระเจ้าโศกสลักในเสาหินรัชการที่หนึ่งทำ ล, ลงในใบลานรอห้าทำลงในหนังสือเทคโนโลยีการทําหนังสือเข้ามาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยรัชการที่เจ้าทำลงในซีดีนะ อาจารย์คุกคลิปทำลงใน iPhone, i p o ต iPad ตัวนี้ s t c Samsung iMobile Welcome Motorola น ะ, ะทำลงเข้ามือถือของทุกคนใครมีสมาร์ทโฟนโหลดได้เลยที่นี่ถ้ามีไ i ไฟก็โหลดได้ไม่ถึงนาทีก็เสร็จนะเท่ากับว่าเรากำลังเอาข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ยใส่เข้าไปในเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลกนะ เพื่อกระจายคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทั่วโลกอีกรอบหนึ่งนั้นใครก็ตามอยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะสามารถโหลดข้อมูลนี้ได้มีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยโยมสามารถอ่านได้สามารถค้นหาข้อมูลได้ทุกเรื่องพระผู้เจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องบอกรายละเอียดไปหมดแล้ว อยากสวยอยากรวยอยากสูงสักยมก็ขี่เข้าไปลูกงามมีทรัพย์มากนะสูงสักนะเอาครบเลยนะจะทำยังไงนะพระเจ้าก็จะบอกกับพระนางมาริกาพระสูตรก็จะขึ้นมามีสามคำนี้ตรงไหนคอมพิวเตอร์จะหาให้บอกหมดอยู่หน้านี้เล่มนี้บรรทัดนี้นะ <c oughs> เราไปอ่านดูก็จะพบว่าพระองค์บอกกับพระนางมาริกาว่า ต้องไม่เป็นผู้มักโกรธถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียบไม่กระด้างกระเดืองไม่ทำความไม่พอใจให้ปรากฏนะนี่จะได้อ น, นิสงส์ความเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามนะและเป็นผู้ให้ข้าวน้าผ้ายานภาณนะระเบียบของหอมเครื่องรูปไล่ประทีปพรมไฟแก่สมณพรามนะอันนี้จะเป็นเหตุให้มั่งคัง่งมีโพคามากมีทรัพย์มาก ไม่เกียจกันตัดรอนน ะ, อะแกผู้ที่ลุ ก, กลับกราบไหว้ให้อาสนะแกสมณะพราหมณ์ทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุให้ได้ความสูงสัตว์นี่คือเหตุปัจจัยของการสวยรวยสูงสัตว์ถ้าโยมต้องการตอบแทนบิดามารดาจะตอบแทนยังไงจะซื้อแหวนเพชรสักวงให้แม่ดีไหมหรือว่าอยากจะ พาแม่ไปช็อปปิ้งนะเอ๊จะทำยังไงดียงก็คีคำว่าบิดามานดาบิดาเว้นวักมานดาเว้นวักตอบแทนนะสามคำนี้อยู่ที่ไหนในบาลีสามรัฐมันจะพ้นมาให้หมดเราก็จะมาเจอพระสูตรพี่ผู้เจ้าบอกว่าบุคคลสองท่านเนี่ยนะเป็นผู้ที่เราทำการอุปการละ ได้ยากนะก็คือบิดามารดาท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเรามากพระศัสดาบอกว่าแม้เราจะแบกพ่อแม่ด้วยบาทั้งสองข้างนะป้อนข้าวป้อนน้ําท่านทําการนวดฟันอย่างดีท่านอุจจาะปั ส, สวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีเราก็ป้อนน้ําป้อนป้อนข้าวท่านดูแลท่านตลอดทั้งร้อยปีก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระคุณท่าน แม้จะยกราชสมบัติทั้งแผ่นดินให้กับบิดามารดาก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระคุณตกลงแล้วจะทำยังไงโยะโย่ว่าทำยังไงดีจะตอบแทนยังไงตอบแทนโดยการให้พ่อแม่มีความสุขใจ ปฏิบัติศีลห้าแค่นั้นได้ไหมเชียดเชียดเอาไปหนึ่งเปอเซนให้ธรรมะกับพ่อแม่ธรรมะอะไรเนอะธรรมะมันก็เป็นธรรมะกันเยอะะเลยพาไปในด้านธรรมะแล้วธรรมะแบบไหนคิดว่าธรรมะมันถูกหมดแล้วเมื่อกี้กวดน้ำก็ผิดไปแล้ว นะพาแม่ไปนั่งกวดน้ำพาไปสวดมนต์สวดอะไรไปสวดคำที่แต่งขึ้นอีกพลาดอีกแล้วใช่ไหมไปธรรมะแล้วยมรู้ได้ไงธรรมะถูกธรรมะผิดจะวัดยังไงใช่ไหมอะไรนะ ย่รู้ได้ในธรรมะตรงนั้นถูกธรรมะที่ถูกที่สุดในศาสนาพุทธเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดแล้วบอกฟังธรรมะธรรมะธรรมะใครนะแล้วธรรมะวัดจากตรงไหนธรรมะที่ถูกต้องจากพระเาปิฎก บ, บอกพระเจ้าปิฎกก็ผิดแล้วเพราะพระเจ้าปิดกมีทั้งข้อมูลผิดข้อมูลถูกอยู่ในนั้นอ่าเริ่มลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเห็นนะเห็นนะแล้วบอกธรรมะธรรมะ อาตกลงเคลียร์ไปทีละเรื่องนะอาตกลงจะตอบแทนพ่อแม่ยังไงโยมก็บอกนี่บอกนี่ความเห็นร้อยแปดอาตมาบอกเอาความเห็นผู้เจ้าดีไหมหรือจะเอาความเห็นใครในกรในขอโยมว่าความเห็นใครเก่งที่สุดพรุทธเจ้าใช่ไหมอามาฟังคุตวัจนะดีไหมอาพระุทธเจ้าบอกว่าดูคนใด ย, ยัางมันดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทานะยังมารดาบิดาผู้ทุกข์สิ้ให้มีสีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาระสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาด้วยสี่ฐานานี้ชื่อว่าเป็นอันบุตรตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานะ เพราะมารดาบิดามีบุญผุนมากเพราะถ้าโยมแนะนำสี่อย่างนี้ชื่อว่าพ่อแม่เราเนี่ยกําลังได้ความเป็นโสดาบันบุคคลได้อริยบุคคลนี่คือการตอบแทนบิดามารดาอย่างถูกต้องที่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่สถานีวิยุนั้นบัญญัติอาจารย์นี้บัญญัติอาจารณ์นี้บัญญัติไม่มีหรือบอกพระไตรบิดกบัญญัติบ่บ่ใช่นะพระไตรบิดกเป็นอย่างนี้นะ พระตา บ, บิโดกมันจะมีสองส่วนหลักส่วนที่เป็นพุท ธ, ธวจนะคือคําที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงมีฟกเถื่นสมบูรณ์แล้วแล้วส่วนที่สองคือคําที่แต่งขึ้นภายหลังบอกว่าที่พระเจ้าพูดอย่างนี้ยเขาขออธิบายว่าอย่างนี้เขาเป็นใครก็ไม่รู้สาวกในกองในขออาจารย์กออาจารย์ข อ, อาารยขอจีปาถากใครมี p o อร์ในการทําพระตา บ, บิโดกในแต่ละยุคมันก็ใส่ความเห็นเข้าไปกันเต็มไปหมดเลยและโยมก็มานั่งอ่านความเห็นของคนอื่นอยู่ทุกวันเนี่ย นะเพราะนั้นเราต้องบอกว่าพุทธวจนะที่มีอยู่ในพระตาบิดกสรุปก็คือพุทธวจนะหรือเหมือนกับหนังสือเล่มนี้เล่มสีดานี้เองนะนั้นเราถึงทาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอย่างที่ท่านผู้ทานเคยทำมาแล้วคือเล่มนี้นะดึงมาเฉพาะพุทธวจนะที่อยู่ในพระตาบิดกเท่านั้นนะ เราเดึงมาแล้วได้ทั้งหมดสามสิบสามเล่มเป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยคู่กันบาลีหน้าไทยหน้าคู่กันเลยเพราะนั้นนี่คือความถูกต้องวัดกันที่นี่ว่าสิ่งที่เรารู้มาเนะ่ะเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าศาสนาพุทธเอาบัญญัติของใครเอาศาสนานะไม่ใช่เอาบัญญัติคนอื่นได่ไหมเพราะนั้นโยมบอกธรรมะถูกต้องเนี่ยตมากลัวละเกินนะ ไอ้ถูกต้องถูกต้องนี่ก็บอกสวดมนต์โยมอะไรมาติกาโยมมาติกาบอกสวดมนต์มาถามว่าสวดมนต์ตามหลักพระศาสดาทำยังไงขอทราบบัญญัติหน่อยได้ไหมไม่ทราบเห็นไหมเจอหนังสือแบบสวดแหกเลยไม่รู้คาอะไรเป็นคาอะไรมาสวดไปหมดน่ะใช่ไอาจารย์ก็บอกให้ฉันสวดนี่ก็สวดสๆดสใช่ไหมตกลงแล้วได้เช็คไหมไม่ได้เช็คเลยสวดตามตามกันไป ใช่ไหมอาตมาก็มีเครื่องมือให้โยมเช็คแล้วไม่ต้องกลัวนะกลับไปซื้อ iPhone, iPod, iPad, s t c s a m ซ u n g ซุงอะไรเนี่ยมีซื้อมาเลยนะแค่โหลดอีตาเตกะอย่างเดียวก็คุมแล้วนะอ่าแล้วสแกนไปเลยนะหลักในการสาธยายทำพระศาสดาบอกอย่างนี้หนึ่งต้องเป็นคำของผู้เจ้าก่อน สต้องเข้าใจสามเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นนี้คือการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิบูต์นะบาลีคําว่าสาธยายเนี่ยใช้คําว่าสัจชายะสัจชัยะแปลว่าสาธยายธรรมคือการพูดมาในคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดานั่นเองนะจะทําให้เกิดการทรงจําได้ดีขึ้น <c oughs> และเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้ไม่ใช่ไปนั่งสวดของคนอื่นนะอืม บทสวดณนะวันนี้เป็นบทสวดที่แต่งใหม่น่าจะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นตนะโยมเคยเช็คหรื อ, อยังสวดอะไรกันบ้างพาหุงพาหุงก็แต่งใหม่ชินนะบัญชรแต่งใหม่ยอดพระการแต่งใหม่นะชุมนุมเทวราแต่งใหม่นะถ้าโยมไปถามบทพวกนี้พระเจ้าบอกโอ้ไม่รู้จักตถาคตไม่เคยบัญญัติใครบัญญัตินาะเห็นนะอ่ะ สาวกยุคหลังนกอกนขออาจารย์กอาจารย์ขอใครเก่งก็บัญญัติขึ้นไปใครเขียนบาลีเป็นก็เขียนไปนะอ่านดูแล้วก็โอ้ดีอักษรสลักสรวยวาจาไพเราะดีแต่ไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ของจริงคำที่แต่งใหม่าศาสดาบอกว่าอย่าไปอ่านอย่าไปศึกษาผู้เจ้าตัดอย่างนี้นะต้องกอปปี้คำผูเจ้ามาให้โยมฟัง เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นความเห็นอต า, นะาตมมนะพระเจ้าตรัสว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจากไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนสี่แง่มุมเลยอย่าฟังอย่าฟังด้วยดีอย่างเงี่ยหูฟังนะอย่าตั้งจิตเพจะรู้ตัวถึงอย่าสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนี่คำของศาสดาโยมเองนะพระพุทธเจ้าที่โยมกราบทุกวันเนี่ยนะแต่โยมไม่เคยอ่านไงปัญหาคือข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกพันรอปีเนี่ยโยมไม่เคยเข้าไปแตะ มันถูกเก็บอยู่ในตู้ยมปูนเคลทั่วทุกวัดเลยมีหมดยมไปเปิดจะเจอนะยมจะเปิดเนี่ยของมหาจุลามหามมกุฎพระ ส, สูี่เทตมาพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยมจะเจอหมดนะแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเล่สุญญตา เมื่อมีผู้นําสึกตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนตกลงแล้วเนี่ยอาตมาถึงถามโยมอ่ะให้ฟังวิยุธรรมเนี่ยมันฟังคําของใครเนาะคำพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะหรือว่าสาธยายธรรมเนี่ยสาธยายคําศาสดาตัวเองหรนิปล่าหรือไปนั่งสาธยายคําที่คนแต่งใหม่ซึ่งาศาสนาบอกว่า อย่าไปศึกษาอย่าไปฟังอย่าไปสนใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พุทธบริษัทเราก็เดินไม่ตรงตามที่ศาสดาเป็นผู้บัญญัติเห็นไะหอ่าและพยายมสืบทอดข้อมูลผิดๆเหล่านี้ต่อไปพระผูมีพระพากเจ้าบอกว่าพระสัจธรรมคำสอนของพระองค์จะค่อยๆสูญหายไปจากโลก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 ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เห็นนะพระศาสดาบัญญัติไว้แล้วละเอียดละออนบอกเลยว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักมีภิกษุไม่สนใจคําตถาคตพระเนี่ยจะไม่สนใจคําพระเจ้าแถมยังจะบอกด้วยว่าโอ้คําพระเจ้าผ่านมาสองพ เอาแล้วไม่ทันสมัยต้องปรับปรุงนะนี่ประมาทดูหมิน่นศาสดาตนเองเห็นไหมแอบพระสาวกยุคนี้ตายเป็นอย่างนี้นะไม่ยอมใช้คำพระศาสดาร้0ยปอร์เซ็นะในครั้งพุทธการไม่มีใครกล้าเยอมใครพูดผิดจากผู้เจ้านี่เตียโดนเลยเรียบร้อยอย่างสาติพูดว่าวิญญาณเวียน่หยตายเกิดผู้เจ้าตำหนิเลยโมข้าบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดี ตกลงแล้วยมงงไหมนะเห็นเขาบอกวิญญาณเวียนว่ายใจเกิดกันหมดเลยใช่ไหมอืมก็ตกลงลว่าใครมันเวียนว่ายใจเกิดเห็นนะเรื่อทําง่ายๆเหล่าเนี้ยแต่โยมจะไม่เข้าใจนะเพราะโยมไม่เคยศึกษาพุทธวจนะไอ้ตมาถึงถามว่าโยมรู้จักพุทธวจนะหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักโยมจะไม่รู้ความจริงนะความจริงสัจจะของโลกโยมจะไม่เข้าใจไม่รู้ ยมจะได้รู้แต่ที่พระเขาพูดกันมาพูดฟังกันไปตามกันไปเรื่อยๆวิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาพระเจ้าถามสาติว่าสาติเราเคยสอนเรื่องนี้แก่เธอที่ไหนเมื่อไหร่สาติตอบไม่ได้พระเจ้าสั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดถามพระทั้งหมดว่าเราเคยสอนแก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่ใครเคยได้ยินว่าตถาคตพูดว่าวิญญาณเวียนไหวใจเกิดไหนบอกมาสิไม่มีพิสูจเงียบหมด ผู้จ้าบอกเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคือเกิดกับเพราะเหตุปัจจัยนะโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือนะเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีเว้นจากเหตุปัจจัยคือนามลูกถ้านามลูกไม่มีวิญญาณมีไม่ได้งั้นสารวัคือสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องขูก ตัวนี้เป็นตัวท่องเที่ยวไปแต่วิญญาณมันไม่ได้ท่องเที่ยววิญญาณมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับของมันตลอดเวลาเหมือนฟองน้ําอยู่บนผิวน้ําที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาทําความเข้าใจดีๆนะ อ, อพอธรรมะชั้นลึกโยมทําความเข้าใจไม่ดีโยมจะงงเข้าใจผิดเกินไปหมดเลยนอืันนี่ประเด็นง่ายๆอันหนึ่งนะก็เลยมาชี้ประเด็นให้ฟังให้ทราบนะเราจะได้ทราบว่า ถ้าโยมไม่ศึกษาคำศาสดาเนี่ยโยมจะไม่มีทางรู้ความจริงเลยใครทราบวิธีแก้กรรมที่ผู้เจ้าบอกไว้บ้างนอนในโรงใช่ไะไม่ใช่เ อ, อ้าเขาไปนอนจะเป็นพันพันคนนะโยมนะเห็นนะเขาคิดว่านั่นคือพระพุทธเจ้าสอนเพราะนั้นน่ะผมน้ำมนได้นะแก้กรรมได้นะไม่ได้ หรือเดินลงแม่น้ำพงคาดิไปอินเดียกันคนอินเดียเขาก็ลงกันไปเป็นรนะ้อยร้อยพันพันนะแล้วทำยังไงดีเอาผ้าขาวคุมปังสกุลเป็นบังสกุลตายหายมหมไม่หายเอ๊ะทาไมโยมไม่เชื่อทำไมหลายคนเชื่อแลวหลายคนไม่เชื่อตกลงแล้วจะเชื่ออะไรทำอะไรหนึ่งนะ เขาไปแก้กรรมแก้อย่างไงดีบางสกุลนอนในโรงแล้วยมว่ามันแก้ได้ไหมไม่เแนบบี่ยไม่ทราบตกลง อ, อ่เดี๋ยวตาบเดี๋ยวตอบเดี๋ยวฉเฉลย <c oughs> <c oughs> อาตมาเลยถามโยมก่อนแบบเพื่อมีใครจะบรรลืสีใหนาบ้าดิฉันรู้น ะ, ะ <c oughs> <c oughs> มีไหมทราบไหมเห็นไหมว่าเป็น ฮะ <Huh? S 2> น e <teaching. S 2> ี่เดี๋ยวนะโยมบอกว่าการแก้การกระทำของเราเองแก้อย่างไงกรามคือการกระทำอ่าอะฮะถูกต้องแล้วทำยังไงอะดีหรอ แล้วดีเอาอะไรมาวัดดีดีทำยังไงจุงคนแก่ข้ามถนนก็ดีนะให้เงินขอทานก็ดีฮะอยู่ในสินห้าแล้วมีอะไรอีกเนาะแค่นั้นอยู่สินห้าละกรรมหมดเลยเรียบร้อยไม่หมดอีกอ้าวล้วจะหมดยังไงเนี่ยอ่าของโยมเมื่อกี้ว่างไงนะเป็นการเชื่อสินบุคคลอ่ะฮะอ๋ะอ อ่าอ่าเขาสบายใจรัวกรรมมันหมดจริงไหยล่ะทุกคนไม่ทราบเหรอไม่มีใครทราบเลยแลัทธเจ่อเคยบอกไปนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแล้วตอกเลยว่ากรรมนี่มันแก้ได้หรือแก้ไม่ได้แล้วถ้าแก้ได้จะแก้ยังไงเห็นนะอาตมาถึงบอกแนะโยมเป็นชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้านนะ ใครมีความเห็นอื่นนี่นนนแก้กรรมแก้อย่างไงมีไหมไม่มีอาเลอฉเลยเฉลยพระศาสดาบอกว่าแก้กรรมแก้ได้ไหมแก้ได้แก้ได้วิธีไหนนะผู้เจ้าตัดว่าอาริยัตถังคิกรมรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธขาไม่มีปฏิปทา มักมีองค์แปดอันประเสรฐนี้เองเป็นวิธีให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเข้าใจไหมกรรมะนิโรธะนิโรธคือดับ น, นิโรทคาไม่มีปฏิปทาปฏิปทาคือหนทางดำเนินไปข้อประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปพวกความดับไม่เหลือแห่งกรรมคือมักมีองค์แปดประพฤติกายวาจาจิตอย่างนี้เหมือนเดียวบว่า ก็ทำกรรมดีกวกรรมดียังไงตอกสินห้าแลวสินห้าสินห้าก็หมดไหมไม่หมดต้องมัดมีองค์แต่ต้องแปดองค์เลยได้ไ้ยอ่าอย่างนี้นี่แหละพุทธวจนะนั้นคำพระาศาสดาเราเนี่ยตอบไว้หมดแล้วทุกเรื่องเลยแต่อย่าว่าจะโยไม่ทราบนะพระก็ไม่ทราบอาตมาไปบรรยายให้พระฟังที่สุรินเจ็ดร้อยองค์ที่บุรีรำสี่ร้อย ่านดาวเขาแก้วโคราชอีกสี่ร้อยรวมละพันกว่องค์เนี่ยไม่มีพระทราบวิธีแก้กรรมเหมือนกันนะฉะนั้นท่านก็เลยแนะนำไปอาจารย์ท่านสอนก็เลยแนะนำให้โยมไปนอนในโรงบางสกุลเป็นตายนะไปสวดผ่านยักษ์ไปสวดชุมนุมเทวดาไปลดน้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์ไปอุติปาถะเลยนะ ตกลงและโยมกลับมานุกว่ากรรมแก้ไายเหมือนเดิมนี่แหละถึงบอกว่าเราอยากได้ข้อมูลจริงเนี่ยนะนั้นถ้าโยมกลับไปอ่านในบาลีสามรัฐข้อมูลที่ตกทอดมาสองพันร้อยกว่าปีนะจากเจ้าชายศิีตถาอรลันตสัมมาสามพุทธเจ้านะข้อมูลนี้ จะบอกเลยว่ามักมีองค์แปดเป็นวิธีแก้กรรมวิธีเดียวผู้เจ้าตะัดกี่ร้อยพศก็ตามมักแปดเท่านั้นเป็นวิธีแก้กรรมไม่เคยมีวิธีอื่นนะสมณพราหม์เหล่าอื่นเขาก็บูชาไปนะเขาเรียกพิธีปัญจโลยมีผู้เจ้าเดินไปเจอนางพรามณีบอกเธอกําลังทําอะไรบอกแก้กรรมเธอทำยังไงล่ะก็เอาเนยใสเนยข้นน้ํามันน้ําพึงน้ำอ้อยมานะปูพื้นดินด้วยหญากกุสาสีเขียวนะ เอาน้ำนมมาลาดพื้นแล้วก็กราบไปที่พื้นดินว่าข้าขอปลงบาปปงบาปนะอ่าเขาบอกกรจำหมดโยมเอามากเหมือนเดิมความเชื่อมันหลากหลายมากเลยโยมในโลกนี้เนี่ยทุกคนก็เชื่อกันไปแต่ความเชื่อของใครเป็นระบบระเบียบที่สุดนางพราหมณีก็ถามพระตถาคตบอกว่าอ้าวตถาคตสมณะโคดมมัมีวิธีแก้กรรมไหมเห็นไหมต่างคนต่างหางันไปนะ ตามความเชื่อของตนคูเจ้าก็บอกว่าปัญจโลหินีของเราก็มีในอริวิัยเนี่ยก็คือมรคมีองแตกนะครูเจ้าโยงมาที่มรคแปดหมดเลยนะนั้นให้เราอยากให้เราเห็นว่าคำสอนของศาสดาเราเนี่ยมีมีตัวตนจริงๆนะอย่างโยมเห็นไหมว่า ที่เ้าอัญเชิญมาจากนอร์เวย์น่ะใบลานนะ่ะชิ้นเล็กๆนะั่นนะ่ะถ้าโยมเห็นภาพโยมจะรู้โอ้โ oh, ห oh, มันทำยากมากเลยนะประมาณอยู่ประมาณปีพศหกนะที่เขาไปค้นเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานหลังจากถูกถล่มพระพุทธรูปถล่มด้วยระเบิดแตกทำลายนะ่ะเข้าไปค้นเจอเป็นเศษใบลานแตกเป็นเสียง เต็ไมไปหมดเลยเอามาหยิบต่อกันจนเป็นแผ่นๆอย่างนี้ได้เป็นแผ่นเป็นอักษรเรียงเรียงเรียงเรียงเรียงอ่านเสร็จแล้วแปลมาเนี่ยข้อมูลตรงกับบาลีสามลัฐเป็นเรื่องของปฏิจจสุบานเป็นเรื่องของการสั่งสอนเรื่องอบายมุขหกอย่าดื่มสุลานะอย่าคบมิตรชั่วนะอย่าเที่ยวกันคืนนะอย่าเล่นการพ น, นันอย่าเกลียดคร้านซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยไม่ใช่คนยุคปัจจุบันคิดขึ้นนะ มีคนคนหนึ่งชื่อสิทธัตถะเป็นลูกกริย์ออกจากเรือนมาบวชแสวงหาความไม่ตายจนสามารถค้นพบตรัสรู้เป็นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วออกถ่ายทอดคำสอนจนมีผู้ศรัทธาเข้ามาบวช ด, ด้วยเป็นพันๆ น, นะแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนพันหลายพันจนศาสนาแผ่ไปสารไปทั่วโลก ข้อมูลเหล่านี้จะกระจายอยู่ในทั่วโลกดูในถ้ำนั้นอยู่ในเสาหินโศกนะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก้อนศิลาที่ลบุรีที่เพชรบณ์นะในแถบสุวรรณภูมิของเรามีหมดเลยโยงโนะยงจะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้มีตรงกันหมดในใบลานที่อัฟการา น, นิสานิบเขาประมาณปีพศ6สาวหินโศกประมาณปีพศ200 เพราะฉะนั้นเก่ามากนะอัตมาเรียงหลักฐานให้โยมดูศา ส, สนาพุทธไม่ได้ลอยๆอยมาจากพระเจ้าอ้าวลอยมาเลยนะคำสอนอะไรก็ไม่รู้หาตัวตนไม่ได้แต่มีมนุษย์จริงๆที่ออกแสวงหาธรรมะจนเข้าถึงความไม่ตายได้นะแล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะ อยากรู้เรื่องอะไรอีกอลองตอบคำถามในกระดาษนะอยากถามว่าอัตราคืออะไรแล้วเหตุใดเราจรึงต้องลดอัตตาอัตราในตนเองโอ้อาจจะเข้าใจผิดผิดมาตั้งแต่คำถามแล้ว <c oughs> คำว่าอัตราหมายถึงสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเนี่ยกระดาษเนี่อัตราไหมอัตรานะอัตราหมายถึงตัวตนหนังสือนี่อัตราไหมดอกไม้นี่ยอัตราไหมตัวตนธรรมชาติใดที่มีการเกิดปรากฏธรรมชาตินั้นเรียกว่าอัตราตัวตนเราจะเรียกตัวตั ว, ต, วตัวอะไรได้เนี่ยมันต้องโผล่มาสักนิดให้เราเรียกก่อนใช่ไหมอืม มดโผล่มาในรูนิดหนึ่งอะฮามดเลียกมดพ้าโผล่มาลักษณะโอ้โกลัวกเนี่ยตัวตนมันน่ะนะอ่าก็เอากล้องจุลทัศน์ส่องไปตุ๊บโอ้เอเล็กตรอนเนี่ยโผล่มันนิดเด็ยวอผให้เห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวเนี่ยเรียกว่าเกิดปรากฏพระเจ้าเรียกว่าอุ ป, ปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏอะไรก็ตามที่มีการเกิดปรากฏปั๊บเนี่ยอันนั้นเรียกอัตตาละ ตัวตนตัวตนมันมีอยู่ที่ว่าจะบัญญัติมันชื่ออะไรเข้าใจไหมอ่าบัญญัติมันชื่อว่าโปรตอนอะตอมอิเล็กตรอนนิวตอนมนุษย์นะอันนี้เรียกว่าคนนะมีศีลธรรมน้อยอ่าอันนี้เรียกว่าเทวดา น, นี่เรียกว่าพรมนะอันนี้เรียกว่าดินน้ําไฟลมศาสดาบัญจัิทั่วโลกธาตุบัญญัติหมดเพราะพระเจ้าเนี่ยมีภูมิปัญญาซึ่งแทงตลอดซึ่งธาตเป็นอนเนกรู้ทั่วโลกธาตุว่าธาตุอะไรมีอะไรบ้าง การละเขาเรียกว่าละมานะมานะนะมานะหกถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดถำผ้ะแปลว่าหัวดือ้ออตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวว่าไม่ดีนี่ต้องถามว่าวิธีลดมานะลดยังไงลดความถือตัวไม่ใช่ลดอัตตาอัตตาในไว้ลดตอนตาย พอตายแล้วนะ่นะได้ลดแน่นอนยุบเลยอัตตา ย, ยุบเลยนะอ่า<ม>เหลือแค่เศษที่เท่าแล้วก็เอาไปลอยอังคารไปนะ อ, <c oughs> นะอัตตาคือสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเนาะวิธีในการอธิษฐานจิตบารมีต้องอธิษฐานอย่างไรโอ้โห <c oughs> อย่างอธิษฐานเหรอนี่เดี๋ยวนำเสนอให้เลย อยากอธิษฐานไหมตามผู้เจ้าไหมมั่นใจแนบว่าพระเจ้าบอกข้าจะอธิษฐานจิตให้อธิษฐานอย่างนี้ว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจักเกิดเผืดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุกได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบักบานของบุรุษถ้ายังไม่ลุกถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี ให้อธิษฐานจิตในเรื่องความเพียร น, นะถ้าไม่บรรลุสิ่งที่เราต้องประสงค์แห่งใจแล้วเราจะไม่หยุดความเพียรเด็ดขาดใช่มนี่และโยมทำอะไรสำเร็จหมดใช่มงานทางโลกก็สำเร็จงานทางธรรมก็สำเร็จบรรลุทำแน่นอนถ้าไม่หยุดความเพียรใช่ไหมคำไพเราะไหมไพเะนะพระเจ้านะีาานะพาพ่พูดคำเพราะมากนะนั้นพระเจ้าจึบอกคำของท่านเนี่ย ภยายละในเบื้องต้นภยายละในทถ้ำกลางภยายละในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนั้นพระสงฆ์เนี่ยต้องประกาศคําศาสดาน ะ, ะต้องเอาคําระพุทธเจ้ามาพูดทโยองฟังว่าพระุทธเจ้าเคยพูดอย่างนี้ไว้โอโยงจะมีความทราบซึ้งใจมากนะอนตาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่ทราบซึ้งใจในคำพระพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้าพูดสุดยอดมากเลยนะอ่า ยองไปเจอสัมเนตรการผู้อะไรที่ว่าเด็ดๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นไม่ได้เสี้ยวของผู้เจ้านะอะผู้เจ้าคมคายมากมีคนเนี่ยเคยติดตามผู้เจ้าบอกว่าโอ้ยอย่าไปโตวาทะกับสมณะโคโดมเลยแพ้ลาบคาบนะเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินนะเหมือนเอาสายบัวไปฟาดภูเขามีแต่สายบัวจะแตกขนาดเนี่ยปริพาชกคนหนึ่งเป็นผู้ที่มักยกวาทะ คนอื่นนะเขาบอกว่าใครมาโต้วาทิกับเขาเนี่ยแม้แต่เสาหินยังต้องสั่นสถานวาทิของเขานะามาเจอพระเจ้าเป็นไงก็ <c oughs> งมาเจอกันนะสองท่านนี้โครจรมาเจอกันปั๊บก็มีการโต้วาทิกันนะพระเจ้าก็ตอบไปเขาก็ถามมาพระเจ้าตอบไปพระเจ้าถามมาันเขาตอบพอพระเจ้าถามไปถามไปปุ๊บเขาตอบไม่ได้จน นะผู้เจ้าก็เลยบอกว่าเป็นยังไงล่ะที่เคยบอกว่าใครโตวาท่ากับท่านเนี่ยเหงื่อต้องหยดน ะ, ะแต่บัดนี้เนี่ยเราไม่มีเหงื่อสักหยดเลยท่านก็เปิดไพ่ดูท่านไม่มีเหงื่อเลยนะแต่ตัวท่านเนี่ยเหงื่อหยดเต็มหน้าผากไปหมดแล้วโอ้โห <laughs> สนุกมากโยมอ่านได้ในพุทธประวัติจักพระโอษฐ์ที่ท่านทู้ชาติทำเอาไว้นะเล่มโตโตประมาณนี้เหมือนกันเนี่ยเล่มประมาณนี้ อ่านสนุกวางไม่ลงเลยแหละน ะ, ะแล้วเป็นคำพระศาสดาของเราทั้งสิ้นนะอย่างพรามคนหนึ่งมาบอกว่า <c oughs> สิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยไม่ควรแก่ข้าพเจ้าครูเจ้าก็ตอบไปง่ายๆถ้างั้นความเห็นนี้ก็ไม่ควรแก่พรามเหมือนกันนะพรามก็บอกความเห็นนี้ควรแก่เราสิก็ความเห็นนี้ก็เป็นหนึ่งในโลกเหมือนกันถ้าพรามบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ควรแก่เขาเลย ความเห็นนี้ก็ไม่ควรกับพราหมณ์นะย้อนกลับไปง่ายๆแค่นี้เองพรามณ์จนตอบไม่ได้นะโอ้โหยมจะได้เห็นแต่ก่อนนีเขาวัดูมิมัญยากันมากนะ <c oughs> พารัทธวาชะมาถามพู้เจ้านะ <c oughs> การรักษาไว้ซึ่งความจริงจะทําได้อย่างไร <c oughs> บุคคลปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ชื่อว่าความจริงจะถูกลักษาไว้โยวจะตอบอยังไง <c oughs> อะไรนะ เราจะรักษาความจริง ไ, ไ, งไว้ได้ยังไงวิธีใดเป็นการรักษาไว้ซึ่งความจริงอะไรนะเขียนบันทึกเหรอเหรอฮะอ๋ะ อ, อแล้วก็เชื่อมั่นแน่เลยว่าตรงที่เราเขียนนั้นจริง ล่ะแล้วจะรู้ได้ไงข้อมูลที่เราได้มันเป็นข้อมูลจริงนี่นะเห็นไนหะพระศาสดาเราตอบว่ายังไงพารธทวาชเป็นพวกปริพาชกลทีอื่นแล้วก็ดูถูกกลุ่มผู้เจ้ามากพราว่าให้พวกสมณะหัวล้วนเที่ยวถือกระเบื้องขอทานเนี่ยมันจะมีภูมมปัญญาอะไรก็โคจรมาเจอกันอีกเหมือนกันก็แกิดการโต้วาทากันก็ถามผู้เจ้าเลยนะสัจจานุลัคนา นะการรักษาไว้ซึ่งความจริงจะทำได้อย่างไรพนะ <c oughs> พุทธเจ้าบอกว่า <c oughs> ด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาไว้คือคิดว่าอย่างนี้อย่าคิดว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าไม่แน่นะเพราะนั้นโยมรู้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ตามอย่าคิดว่าจริงเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ใช่ <c oughs> ไม่แน่ ด้วยการวางความคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษ า, าไว้แค่นี้เองพวกเราบัญญัติซึ่งความจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้และความจริงจะถูกรักษาเอาไว้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เช่นกันเห็นยนหะนั้นถ้าโยมยังยืนยันนะว่าอ น, นิจจังไว้เนี่ยการเวลาผ่านไปผ่านไปไอ้คนที่เคยโอ้ไอ้ น, นี่เคยไปฆ่าคนมาอ้าวผ่านไปห้าปีเจอหลักฐานไม่ใช่อีกแล้วใช่ไมอ่า น, นิจจังเห็นไนะ วันนั้นก็คือวางเป็นอนิจจังรับรู้รับเห็นรับทราบไปว่าเอ๊ะวางเป็นกลางๆไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าคิดว่าจริงเท่านั้นข้อมูลโยมที่ได้มาเหมือนกันก็อยากคิดว่าจริงวางเป็นกลางๆไว้ก่อนเข้าใจไหมนี่โผเยอะโต้กันเยอะจนกระทั่งภาลทวาชะยอมมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามาบวชในธรรมวิ น, นัยแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระราหันองค์หนึ่งในโลกเหมือนกันนะ ทำอย่างไรจะให้มีสมาธิเพราะเป็นคนสมาธิสั้นรวมถึงทำอย่างไรให้จิตใจสงบละจากกิเลสรักโลกโกรธหลงงืาง่า ย, ายจาดีๆนะ อ, อยู่กับลมหายใจไว้นะละความเพลินอยู่กับลมเวลาโยมไปนึกเรื่องอะไรก็ตามโยมรีบวางรีบทิ้งนะนันทิแต่ว่าความเพลินผู้เจ้าบอกให้เราละนันทิคือละความเพลิน ละความเพลินละความเพลินรู้ลมหายใจเข้าไว้ตั้งไว้ซึ่งกายยกาตาสติทำแค่นี้นะบรรู้ทำได้เดี๋ยวจิตสงบเองนี่เอาแบบหัวกะทิเลยน ะ, ะไปแบบสั้นๆกระชับและรวดเร็วถามเรื่องทำบุญเก้าวัดว่าการตะเวนทำบุญเก้าวัดจะได้กุศลมากจริงหรือไม่เคยมีบัญญัติในพระผู้มีพระภาคเจ้า จะได้มากกว่าการการกระทำตามสมควรตามกำลังอย่างสม่าเสมอหรือคะ อ, อันนี้ส่งมากน้อยอยู่ที่ว่าทำอะไรยมทำบุญเก้าวัดยมทำอะไรและผู้ที่ยมทำด้วยนั้นเนี่ยเป็นทักทีเนยะบุคคลหรือเปล่าหรือเป็นพระทูศิล์นะหรือเป็นพระมีศิลป์หรือเป็นพระที่เป็นอริยบุคคล โ, โหเงี่ยใครอบานเลยใช่ไหมอ่า ที่เจ้าบอกว่าพราะองค์เคยเปิด เ, เ, เป็นความชื่อเวลามะรวยมากแจกทานเงินถาทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันพระองค์บอกว่าสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้เห็นไหมให้ทานกับคนเป็นพันพันคนยังสู้ให้กับคนคนเดียวที่มีศีลธรรมไม่ได้เลยให้ทานกับพระโสดบรนร้อยองค์สู้ให้กับพระสกัทาคามีอง์เดียวไม่ได้ไล่ไปอย่างนี้ร้อยเท่าร้อยเท่าจนถึงพระหันองค์เดียวให้ทานกับพระหันร้อยก็สู้สร้างกุฏิครั้งเดียวไม่ได้ สร้างกุติร้อยก็สู้ทำอะไรรักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้เนะี่ยรักษาศีลร้อยครั้งก็สู้ทำอะไรครั้งเดียวไม่ได้แตบบ่วาสิที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยนั่งสมาธินะเออโยนนั่งสมาธินี่ได้ร้อยเท่าของรักษาศีลร้อยเท่าของสร้างกุติ ร้อยเท่าของการให้ทานกับพระหลานนะร้อยเท่าร้อยเท่าร้อยเท่าโอ้โหเพียบเลยตกลงโยนจะเก็บแบงค์พันหรือเก็บเหรียญสลึงเลือกเอานะแบงค์พันนะเพราะนั้นตั้งใจนั่งสมาธิสองสามวันนี้ดีๆนะและยังจะได้เต็มตู้เซฟจิต ด, ดวงหนึ่งปุ้ง จิตอีกดวงคอยเตือนจิตตัวที่ปุ้งไม่ค่อยจะฟังเลยดิ้วจะแก้ไขยอย่างไรละนันทิเครื่องมือเดียวนะเหมือนโยมมีปืนกระบอกเดียวไปได้ทุกที่นะเจอฆ่าศึกยิงเปียงเปียงเปียงนะมรรควิธีการละนันทิหรืออนาปานาสติแก้ได้ทุกเรื่องพระเจ้าบอกแก้อกุสนได้ทุกชนิดได้จนถึงนิพพานเลย นั้นเป็นมรรควิธีที่ทำนิพพานให้ปรากฏได้จะมีกิเลสอะไรที่มันแก้ไม่ได้แก้ได้หมดนะสับปัญญิในการปฏิบัติธรรมบ่อยครั้งที่มีการตีความหมายกันอย่างสับสนไม่แน่ใจว่าเป็นความหมายอย่างที่พุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าเช่นคำว่าปล่อยวางปล่อยวางอย่างพระอริยะหรือปล่อยวางอย่างควายเนาะ <laughs> การตีความผิดๆทําให้สับสนฉันทาวิริยะหลายคนคิดว่าเป็นความหมกมุ่นจึงขอโการเรียนถามพระอาจารย์ว่านะคำว่าฉันทาวิริยะต่างจากคําว่าหมกมุ่นอย่างไรเฮ้ยฉันทาวิริยะมันกุลาอันนะฉันท่ความพอใจวิริยะความเพียร น, นะส่วนการหมกมุ่นมันอยู่ที่หมกมุ่นในอะไรนะงนั้นถ้าสิ่งที่โยอมหมกมุ่นนั้นทําให้กุศลเจริญอกุศลเสื่อมหมกมุ่นต่อไป ผู้เจ้ามีวิธีแก้อย่างนี้นะแต่ถ้าสิ่งที่โยมหมกมุ่นนั้นทําให้อกุศลเจริญกุศลเสื่อมหยุดหมกมุ่นทันทีเข้าใจไหมความเพียรเหมือนกันถ้าปาลบความเพียรแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมหยุดปาลบความเพียรนั้นด่วดนะเช่นนอนบนหนามเดินบนหนามเดินลุยไฟนะยืนขาเดียวอ้าปากกินน้ําค้างเนี่ยพวกอัตตะกิลมัฐานุโย โ, โคโยมไปดูรัที่ในอินเดียเต็มไปหมดเลย ไอ้พวงนี้หมกบุ่นเห็นไหมแล้วมันอกุศลเจริญนีนน่ตัวมันก็จะตายบรรลุธรรมก็ไม่ได้เห็นน ะ, ะเห็นไหมว่าพระเจ้าวางมาตรฐานไหมเนี่ยสุดยอดเลยคาําว่าความเชื่อมั่นและมั่นคงต่างจากดื้อรั้นอย่างไรนะหลักเดียวตันนั่นแหลนะนะสิ่งใดที่มันเป็นกุศล ทำแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ ต, ตนเป็นปรรประโยชน์ผู้อื่นอันนั้น ALK ทําไปนั้นถ้าโยอมไม่ทําตามสี่ข้อนี้ก็เรียกว่าดื้อรั้นนะใช่ไหมอ่ามันเป็นกุศลนะโยมเป็นประโยชน์ตัวเองก็เป็นประโยชน์ประโยชน์ผู้อื่นก็เป็น <S <S เบียดเบียนตนเองก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ดันไม่ทําอ่าอย่าง น, น, นี้ด <L> ื้อรั้นแล้วใช่ไหม ง, ง่เรื่องพวกนี้จบง่ายถ้ายมศึกษาพุทธวจะนะอย่าไปศึกษาคําสาวกนะเพราะว่ า, วาพระศ า, ศาสดาเราบอกว่าเธอเมื่อศึกษาคําสาวกจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ไม่สามารถบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้ใคลายลงไปได้ยอ่อมจะงงในธรรมะกันอยู่นั่นนะนะอืม ทำไมเราจึงต้องเกิดหลายภพหลายชาติหากการหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดทำได้โดยการไม่ทำกรรมแล้วการใช้ชีวิตแบบไหนจึงเรียกว่าไม่ทำกรรมเพิ่มอ๋อการใช้ชีวิตแบบปฏิบัติตามมักมีองแปลกคือการไม่ทำกรรมเพิ่มพระองค์เรียกมักแปดว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวปฏิบัติกรรมนี้แล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม กรรมมีอีกสอย่างกรรมดํามีวิบากดํามีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวมีและกรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีนี่พระศัสดาบัญญัตริกำรรสี่อย่างนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> เหตุที่เราเกิดมาหลายภบหลายชาติเพราะเป็นเพราะตัณหาความอยากความอยากเป็นเชื้อของการเกิดตราบใดยังมีตัณหาการเกิดยังมีไม่อยากเกิดก็ต้องเกิด นะอยากเกิดได้เกิดแน่นอนแต่ถ้าไม่อยากเกิดตัณหามียังไงก็ต้องเกิดแต่ถ้าหมดตัณหาแล้วอยากเกิดก็ไม่เกิดเพราะตัณหาเชื้อหมดแล้วนะนั้นดับความอยากให้ได้การเกิดจะไม่มีการทำนายดวงชะตามีในศาสนาพุทธหรือไม่ไม่มีแล้วมีต้นกาเนิดมาจากไหนก็ไปถามให้คนทำนายนะอย่ามาถามสามมาสมมา ศึกษาแต่พุทธวจนะนะอ่าทำไมเราคนส่วนใหญ่จึงได้เชื่อเรื่องดวงมากกว่าด้านอืนอ่นๆเอา้าก็มันมีอวิชามันมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันใช่ไหมนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกความกลัวหรือภัยคุกคามแล้วนะก็ถึงเอาสวนป่าสัตว์สิทธบบ้างป่าไม้บ้างลุกคาเจดีบ้างเป็นสลาณะนั่นไม่ใช่สลาณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด เขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้เห็นไหมอ่านั้นศาสนาบัญญัติไว้หมดแล้วเรียบร้อย <c oughs> การขอหวยจากเทพนางไม้พู้ดผีทําได้จริงหรือเปล่าอืมถ้าทําได้จริงก็ไม่ต้องมีหวยรัฐบาลเนานะ <c oughs> มันอ น, นิจจังอนะโยงไม่งั้นคนมันก็รวยกันไปหมดแล้วเนาะแสวงหาความไม่ตายดีกว่า การไปเล่นหวยเล่นการบรนานเนี่ยมีแต่ทางเสื่อมแห่งโกคะโกค้ามันจะเสื่อมอยู่การระลึกชาติการเห็นเหตุของอดีตเป็นสิ่งจําเป็นหรือไม่ไม่จําเป็นเลยเพราะโยมเห็นอดีตไปไกลขนาดไหนก็ตามก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมนะหลุดพ้นไม่ได้และยังไม่พ้นจากนรกกัมเดชานเปลยพิสัยคนดูอดีตได้ดูอนาคตได้ก็ยังไม่พ้นนรกชาตินี้ดูได้ชาติหน้าเป็นหมาคุ้มไหม ไม่คุ้มใช่ไหมผู้เจ้าบอกเทวดาพรหมอมเมื่อเท้าเธอทำกาละแล้ว<ม>ก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัมเนศเฉาหรือเปรตวิสัยงานก่อยเนาะพอได้อยู่ดีชาตินี้ชาติหน้านะเป็นสุนัขที่เลื้อนเนี่ยแย่เหมือนกัน <c oughs> ทำไมคนที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหลายๆายคนถึงได้เห็นระ ล, ล, ลึกชาติพบที่ผ่านมาได้แล้วที่ผ่านมาแล้วได้ ก็อันนี้จังนะปรุงแต่งก็เยอะไอเห็นจริงก็เยอะเห็นจริงแล้วก็ยังแก้ตายไม่ได้นะมันเป็นธรรมะฝ่ายโลกที่ลือสีโยคีเขาก็ได้กันมาต้องนานแล้วผู้เจ้าไม่ตื่นเต้นนะอะผู้เจ้าบอกอรเยสัสสีน่าตื่นเต้นกว่านะผู้เจ้าบอกอานนท์จําไว้นะนี่เป็นความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งนะ สถาคตเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นวิโตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุยเรื่องปฏิหารเยอยะๆยะเลยไม่ตื่นเต้นบอกเห็นสามตัวเนี้เกิดดับตื่นเต้นอัศจรย์เพราะว่าอะไรเพราะใครเห็นสามตัวนี้เกิดดับหลุดพ้นจากความตายได้เข้าใจไหมอยากทราบคําสอนเรื่องกลับชาติมาเกิดนะเรื่องชาตินี้ชาติหน้ากลับชาติมาเกิดนะพวกเราเนี่ยก็กลับชาติมาเกิ ด, นะ ก, ก, ก, ดกันนั้นน่ะนี่ใช่ไหม ก็ตายแล้วเกิดเวียนเกิดเวียนตายกันจิปาถะสารพัด น, นะการเกิดตายในสังสารวัตหาที่จบไม่ได้พระศาสดาบอกว่าน้ําตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้ง4ี่เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้ง4ี่เลือดไหลาจากคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะไก่ไกยสุกรช้างโขมาล่ะูกเขาฆ่าตัดคอนะเราเนี่ยทุกทรมานมาแล้วตลอดการยาวนาน เคยเห็นคนพิการก็อย่าไปดูถูกเขาเราก็เคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเห็นคนจนก็อย่าไปนะดูถูกเกลีดยดหยามเราก็เคยจนมาแล้วตลอดการนางเห็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขก็ไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนเราก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานนะเพราะนั้นให้ปรินใจได้โยมเคยรวยมาแล้วมากมายใช่อ่าพระเจ้ายืนยันใหนะ้เคยเกิดมาแล้วทุกอย่างนะยังหาที่จบไม่ได้เลย เนะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ยึดติดเพราะเวลาสูญเสียสิ่งเป็นที่รักเช่นสัตว์เลี้ยงหรือคนที่รักจะได้ทำใจได้ไม่เสียใจก็ต้องให้เห็นตายก่อนตายนะพินาตายเยอะเยอะนะเวลาคนที่เรารักสมมติว่าเจอคนรักโอ้โหเธอตายแล้วพินาเลยเนี่ยตายแล้วนะซื้อรถมาปั๊บโป้รถพังแล้วน ะ, ะพิณาเลยนะ รีดที่นาแต่หัววันเลยเวลามันเป็นอะไรมันจะได้สบายใจใช่ไหมครบไปหนึ่งอาทิตย์แปนเลิกโอ้มันเลิกเราแล้วสมจริงดังที่จินตนาการไว้นั่นแหละสบายใจแล้วก็ใส่พานให้คนใหม่ไปเลยไม่ต้องไปกังวลใช่ไหมสบายใจถ้าอาจารย์จุดน้ำไม่ใช่หลัก การของพระพุทักเจ้าทําไมหลังสวดมนต์หรือการใส่บาตรจึงมีการบอกให้กวดน้ําแก่เจ้าเวรในกรรมค่ะก็ไอคนบอกมันไม่รู้เรื่องนะคนบอกมันอายุเท่าไหร่อโยมนะข้อมูลนี้มันอายุสองพันกว่าปีเนี่ยมีใครณนะวันนี้อายุสองพันกว่าปีบ้างมีไหมไม่มีนะโยมไปถามคนบอกซิปู่ย่าตายายก็อายุไม่กี่ร้อยปีนี่สองพันกว่าปีนี่แก่สุดนี่ตัวนี้เข้าใจไหมอ่า อุทิศบุญกุศลในใจเฉยๆใช่ไหมถูกต้องแล้วต้องเตรีใจยังไงรูนะ้อ่ามีภัยซ่า บ, บ้างไม่มีบอกให้นะพุทธเจ้าบอกกับวาเสถะบอกว่าเสถะเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรณ์ห้าแล้วให้เธอทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสองสาสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งบืง้องบนเบึง้งต่ำบึง้งขวางนะ่ะนี่พุทธเจ้าบอกรายละเอียดมีหมดเลยโย่ เยมไปวิ่งเต็มน้ําเต็มแก้วผู้พเจ้าให้เตรียมจิตใช่ไหม ม, มีน้ํามีแก้วนี่ว่าสำเร็จประโยชน์นะลิมน้ําไปลดปวดน้ําใจซึ้งไปช็อปปิ้งที่ไหนก็ไม่รู้ญาติได้ไหมไม่ได้ศูนย์เหมือนเดิมตกลงแล้วไม่ได้จริงโนะยงต้องเตรียมใจให้ปราศจากอคติสนามอย่างการปฏิบัติเบียดเบียนหรือนิวรห้า น, นะแล้วถึงตั้งเจตนาผู้เจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะตัดกับพิสูจน์ทั้งหลายไว้ Yeah. ออาตมาถึงบอกนะพุทธวจนะมันคือข้อมูลจริงนะสัจจะความจริงที่ออกจากปากพระศาสดาเราถ้าโยมไม่ทราบโยมจะไม่รู้ข้อมูลจริงแล้วยากโยมไปก็ปดนะเหมือนเดิมนะอยู่ที่เจตนาโยมถ้าลูกบวชชีพ่อแม่จะได้บุญเหมือนกับเหมือนที่ผู้ชายบวชพระพิสุไม่อ๋อ พิสุจนอมีข้อปฏิบัติมากกว่าเนาะบทชีก็คืออุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะรักษาอุโบสถแปดประการการหลุดพ้นต่อสิ่งที่เรายึดติดแล้วเป็นทุกข์คนทำเช่นไรละความเพลินแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าไว้มีจิตอยู่กับกายกายยะคตาสติหลังจากทำบุญใส่บาตรแล้วถ้าลืมกรวดน้ำ คนที่เราอุทิศให้จะได้รับส่วนบุญหรือเปล่าโอ้ไม่มีปัญหาลืมแล้วดีแล้วอย่าไปสืบต่อโยนทิ้งได้เลยนะเรื่องปวดน้ำอะไรนี่นะเพราะไม่ใช่ผู้เจ้าบัญญัติแต่ถ้าโยนรับนับถือรับที่อื่นก็ก็ต้องไปถามเจ้ารัทีนั้นนะอันนี้คือรับทที่เจ้าชายศิีสัพพะบัญญัตินะอา่าต้องถามพระสมณะโคดมหรือพระตถาคตนะก็คือตั้งจิตให้ปราศจากนิวรณ์ห้าหรืออคติสน แล้วทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสองสามสี่หรือตั้งเกตนาต่อยาตพี่น้องเราเรื่องนี้สอนไว้ในเรื่องของทิศ6ที่ลูกควรทำต่อพ่อแม่และหลักการใช้จ่ายทรัพย์ข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าให้แบ่งทรัพย์เป็นสส่วนข้อที่สามเนี่ยให้มีการ อ, อุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ตายสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีกระดาษใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้เกิดเกิดไม่ทัน ถ้าใช่แล้วเราจะดูได้อย่างไงว่าสิ่งที่เขียนอยู่ในพระไตริฎกหรือคําสั่งสอนเป็นคําสั่งสอนที่ถูกต้องสรวจได้นะถ้ามีคนบอกว่าโยมโลกใบนี้มีแรงดึงดูดโยมเชื่อไหมเ ช, ชื่อเชื่อพ่ออะไรพ่อโยมเอากระดาษมาโยนปุ๊มันตกใช่ไหมไปโยนในห้องน้ําก็ตกใช่ไหมบนภูเขาก็ตกไปที่ประเทศจีนประเทศไทยอเมริกาก็ตกเหมือนกันใช่ไหมพิสูจน์ได้ใช่ไหมอ่าอาตมาพิสูจน์ให้โยมดู เนื้อหาในเนี้ยเป็นปฏิจจุที่บัญญัติไว้เนี่ยนะโยมเคยเดินห้างไหมเคยเคยซื้อเสื้อผ้ามาใส่ไหมเคยทําไมโยมอยากหยิบเสื้อตัวนี้ไม่อยากหยิบเสื้อตัวอื่นเสื้อมีตั้งหลายลตัวทําไมโยมไม่หยิบเป็นเพราะอะไรโยมบอกชอบโยมว่าคนนี้โกหกไหมไม่โกหกเพราะโยมก็ซื้อเสื้อที่ชอบเหมือนกันใช่ไหมหรือมีใครซื้อเสื้อที่ไม่ชอบเกลียดเกลียดตัวเนี้ย ซื้อมาใส่หม่อยใช่ไหมไม่มีเห็นนะอาตมาก็เชื่อว่าโยมไม่โกหกเพราะอาตมาก่อนโบยก็เคยเดินห้างก็เคยซื้อๆมีชอบเหมือนกันใช้บัตรธรรมะนี้เรียกว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนนะต่างคนต่างรู้ได้แล้วก็ตรวจได้เลยไอ้คนนี้ไม่โกหกแต่เลยถ้ามันพูดผิดจะปุ๊บเรารู้เลยเพราะเราก็มีตาหูจมูกเลิ้ยงใจใจเหมือนกับเขาใช่ไหมและธรรมะนี้เรียกว่าเป็นอากาลิโก สองพันกว่ปีที่แล้วผู้เจ้าบัญญัติมาว่าเวทนาต้องมาก่อนแล้วความอยากจะตามมาชอบต้องมาก่อนความอยากจริงจะมีเห็นนะตรงเป๊ะนะธรรมะนี้เรียกอย่างว่าเป็นสิบขีปุโตคือเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือจันรฟังตามตามกันมาเพราะฉะนั้นโยมบอกว่าเอ้ยรู้ได้ไงว่าจริงโมกันนะตกวดได้เกิดไ ด, ได้เหมือนตับโยมมี่ใครเคยเห็นอักิเมดิสตันไม่มีอันเบิร์ตไอสไตรไม่มีใช่ไหมรู้ได้ไงมันมีจริง ฝรั่งมันโกหกวะ่ะเห็นไหมเราก็มาตรวจทฤษฎีของเขาถูกต้องไหมอ่าเอาก้อนหินใสยลงไปในน้ำน้ำล้นมามีปริมาตรเท่ากับหินนะมีสูตรคำนองคำนวณ น, น, นะเออเออตรงไว้เออแสดงว่าไอคนพูดเรื่องนี้มันมีนมจริงเห็นไหมญี่ปุ่นไม่เชื่อโอ้หไาาอสไตล์โมปึมหายไปนหนึ่งเมืองเอ้ยปุกมั้งปึมหายไปอีกเมืองหนึ่งเอไม่ปุกแล้วยอมแพ้ ด, ดีกว่าเห็นไหมเออปรมาณู ม, มันมีจริงเว้ยนี่เห็นไหมเนี่ย มันตรวจได้ไงโยมไม่ยากเรื่องทั้งนี้ไม่ยากผู้ย่อบอกหลักการตรวจได้หมดเข้าใจไหมและก่อนชอบเกิดอะไรเกิดก่อนก่อนโยมชอบเสื้อตัว น, นั้นอะไรเกิดรู้ไหมอะไรนะเห็นเสื้อก่อนแล้วโอ้โ ห, โหเก่งมากนะใช้ได้มีใครเดินหลับตาซื้อเสื้อไหมไม่มีใช่ไหมอ่ะแสดงว่ายอมต้องใช้ผัาษะทางตาผู้เจ้าจึงบัญญัติภาษะ เนเหตให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปทานใช่ไหมพอโยมอยากได้เสื้อตัวนี้โยมหยิบมาเฉกเฉกโดนตำรวจจับแน่โยมต้องจ่ายเงินถูกต้องไหมพอจ่ายเงินป๊อปก็เสื้อฉันไปก่อนเสื้อห้างใช่ไหมอ่าเห็นไหมมีอุปทานและเสื้อฉันเสื้อห้างหายโยมไม่ทุกนะเสื้อโยมหายโยมทุกใช่ไหมอ่าอย่างนี้อุปทานเกิดใช่ไหมพระเจ้าบัญญัติภาษะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเห็นนะมตรงไหมตรวจได้ทุกเรื่อง นี่คำสอนพระศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วผ่านมาสองพันกว่าปีจิตมนุษย์ก็ยังมีอาการอย่างนี้เหมือนเดิมจริงนะพระเจ้าบัญญตัติเมื่อสองพันกว่าปีมนุษย์ก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้นี่แหละไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเข้าใจไหมยังมีหลายเรื่องที่พิสูจน์ไดอ้อยากทราบเรื่องเวรกรรมทําไมเราดีกับคนหนึ่งคนแต่เขาไม่ดีอยากทราบ เป็นที่ตัวเราไปทําอะไรไว้โอ้อย่าไปรู้เลยเรื่องเหตุที่เคยทํามาไม่มีใครรู้ตรงนี้หรอกผู้เจ้าบอกในมิกสาราสูตรผู้เจ้าผู้เดียวที่รู้บอกว่ากระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตเะนั้นไะอ้พวกที่สแกนกรรมทั้งหลายมันมั่วอย่าไปสนใจมันนะอะไม่มีใครรู้จริงหรอกทนที่พยากรณ์ได้เป็นหนึ่งไม่มีสองมีผู้เจ้าองค์เดียว พระเจ้าบอกเลยกับพระอนนท์อนอนท์ก็เหตุนั่นแหละพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทาลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้เก่งเท่าพระเจ้าไหมล่ะถ้าเก่งเท่าก็ประเ ม, มินตรวจสอบกัดสีนบุคคลได้ถ้าเก่งไม่เท่าอย่าตรวจสอบแล้วหมอดูมันเก่งเท่าพระเจ้าไหมโยนสินห้ามันยังไม่ครบเลยเนาะอืมมันจะไปเก่งเท่าพระเจ้าใช่ไหมไม่ได้หรอกนะ โหลดพุทธวจนะได้จากเว็บไซต์อะไรชื่อเว็บอะไรอ๋ออั น, นี้ไม่ต้องอันนี้เข้าไปในแอป Store ของ Apple กดชุ้มติดตั้งได้เลยหมูนะหรือเข้าไปใน a อ d ดร i d Market ตปับ๊บคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปหรือแตปิตกะเข้าไปปับ๊บเนี่ยนะไอแอปพลิเคชันตัวนี้จะขึ้นมาเป็นอ e, ครึ่งหนึ่งธรรมจักรครึ่งหนึ่งอย่าไปโหลดผิดตัวนะเอาตัวนี้นะมันมีตัวปลอมอยู่นะ มีตัวปลอมไม่ใช่ผู้ตัววนะันะนะอ่าเอาโลโก้ตัวนี้ตัวอ e ีกับตัวธรรมจักอย่างละครึ่นนะดึงเข้ามาปั๊บเนี่ยจะมีโปรแกรมในการสแกนนะีนะ่ยโชว์ให้ดูหน่อยอืมไม่รู้มองเห็นเปล่านะมีแอปพลิเคชันตัวนี้นะเดี๋ยวปรับให้สว่างสะหน่อยนะอืมเนี่ยตัวนี้นะ ยังกดไปปั๊บเนี่ยพระเจ้ามดจะขึ้นมาเห็นนะเราทชื่งภาษาบาลีได้เลื่อนได้สองหน้าเลื่อนหน้าเดียวก็ได้นะบาลีไทยตรงกันได้เลยนะอืยังสามารถสแกนหาได้นะเวลาต้องการสแกนหาก็ <c oughs> กดตัวนี้บานขยายปั๊บเนี่ยนะข้อมูลก็จะขึ้นมาคีย์บอร์ดจะขึ้นมายงก็คีย์คาที่สงสัยเข้าไปนะพอคีย์คาเข้าไปนะอ่าเช่นว่ากรดน้ําำยงก็กรรอ War, door, วดปวดแล้วก็น้ำนะอ่าสวดน้ำนะนเดี๋ยวเ่กเ า, ากี้คำว่าปวดน้ำเข้าไปแล้วก็กดค้นหาตรงนี้ปั๊บอ่านะมันก็จะสแกนให้แล้วปั๊บปั๊บป๊ปั๊บ ป, บ ป, บ ป, บปบไปเรื่อยๆนะ เพราะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะแป๊บเดียว <c oughs> นั้นถ้าใช้คอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ๆก็วินาทีเดียวนะตัวนี้ก็อาจจะสองสามวินาทีนี่ขนาดรุ่นใหม่แล้วนะศูนศูนย์ศูนย์นะไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพัะธรดกเนาะถ้ามีกล้องกล้องจับด้วยนะอ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> ทำบุญแล้วหรือจเจริญภาวนาแล้วต้องแผ่ส่วนกุศลให้คนเป็นคนตายถ้าไม่กดน้ำจะมีวิธีไหนอ้อบอกไปแล้วทำให้เขาได้รับผลบุ ญ, บญนะตั้งเจตนาพรนะอาจารย์บอกว่าหากสวดมนต์ทุกวันนี้ที่แต่งกันมาใหม่แล้วสวดมนต์ทุกวันจะมีผลอย่างไรกับชาวพุทธแล้วที่สวดมนต์ทุกวันถ้าสวดผิดก็ไม่ได้ประโยชน์ไงถ้าสวดถูกต้องก็จะบรรลุธรรมได้ นะทำไมต้องสร้างโบสถ์วัดที่ใหญ่โตได้บุญจริงหรือไม่ต้องสร้างก็ได้ยองไปดูวัดอาตมามีแต่ป่านะอืมอยู่กับป่ากับอาคารนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยก็ได้แล้วนะเนี่ยมีนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นต้นไม้ผู้เจ้าแนะนําให้อยู่ป่านะไม่จําเป็นต้องสร้างโบสถ์คือที่ที่เอามาสวดทบทวนปฏิโมทิ์ซึ่งพระชี้ที่ไหนก็ได้ลานดินเฉยเ ฉ, ยเฉยก็ได้นะ ขอกลยุทธ์ที่จะทำให้เราได้สิ่งที่ตั้งจิตไว้เช่นมาเดินโยกโมฟังธรรมที่นี่นะทุกวันสาวตลอดพรรษาแล้วหากตั้งจิตแล้วจะไม่ได้จะบาปไหมไม่ยากนะจากโยมสาวนีนะโยมสาวนีทำสี่อย่างนี้นะจำไว้ดีๆนะแล้วจะได้ตามที่ตนเองปรารถนาหนึ่งเป็นผู้บริบูรณ์ในสินสองไม่เหินห่างจากฌาน ก็คือรู้ลมหายใจเข้าไว้แค่ชั่วลัดนิ้วมือก็ได้แล้วสามประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาสี่ให้สุญยาฆราวัดงอกงามผู้เจ้าบัญญัติไว้สี่อย่างนี้เธอทําให้เธอได้ทุกอย่างตามปรารถนาใช่ไหมเสด็นมลเช้าเย็นเพื่ออะไรผู้เจ้าไม่ได้บัญญัตินะอยากจะเสด็จเมื่อไรก็ได้นะไม่ได้บัญญัติเช้าบัญญัติเย็นบัญญัติการสาธยายอยาจะสาธยายเมื่อไรก็ได้สะดวกเมื่อไรสาธยายมันนั้นนะ และขอบทเดียวก็ไดนะ้แค่จำได้บทเดียวก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานในชีวิตประจำวันต้องถือสินห้านะหรือขันห้าดีโอ้ขันห้าคืออะไรรนะ่างกายเราเนี่ยจิตใจเราขันห้านะแล้วทำขันห้าให้มันอยู่ในสินห้านะงงกันใหญ่แล้วผิดตั้งแต่คำถามเนี่ยนะหรือทั้งสองขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ เจอคำถามคนตอบก็งงเหมือนกันนะถ้ารับสินแต่แล้วจาเป็นหมายต้องลาสิกขานะลาสินแต่สำหรับผู้เรีทนจำไม่จำเป็นะนะเลิกเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อ น, นั้นนะตั้งใจเมื่อไหร่ก็มีเมื่อ น, นั้น <c oughs> เรื่องเว็บไซต์ก็ไปดูได้ที่เว็บวัดนาป่าพง dot org นะวัดนาะป่าพง d o org นะ หรือคีย์คำว่าอาจารย์คลึกฤทธิ์เข้าไปก็ได้เดี๋ยวก็พึ่ขึ้นมาป๊บป๊บเต็ไมไปหมดน ะ, ะดูที่ Youtube ก็ได้น ะ, ะมีช่องทางให้เยอะอยากทราบว่าเครื่องมอ่มของภาพพิสูจน์ที่มีสีแตกต่างกันมีขีด ส, สีแต่ละสีหมายถึงรายแยกตามนิกายหรือเปล่าคำสอนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอ๋อเป็นเพราะพระไม่ทำตามพุทธรนะ ถ้าพระทําตามพระศัสดาบัญญัติสีจีวรจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั่วโลกนะเพราะนี่ไม่ใช่สีที่อาตมาอยากได้แต่เป็นสีที่ทําตามกรรมวิธีพระเจ้าบัญญัติคือย้อมด้วยน้ําฝาดคือน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้รากไม้อันนี้ได้จากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะอ่าก็ออกมาสีนี้เห็นไหมคำตอบพระเจ้าจบขาดนะถ้าต้นไม้ไม่เปลี่ยนสีนะ กีวอน้าก็ไม่เปลี่ยนสีนะอยู่ไปได้ตลอดการเลยและแปลกนะโยมเอาต้น อ, อะไรมาก็ตามสีมันจะออกมาทนเดียวกันหมดเลยนะอ่าก็แปลกดีเหมือนกันถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยเราเป็นทุกข์เราละทุกข์ด้วยการปล่อยวางและอ น, นิจจังนั้นถูกต้องหรือไม่แล้วหันไปหาขนทางตอบแทนให้พ่อแม่เห็นมรรคผลหมอปล่อยพ่อแม่ตายไปเลยฮนะ อ๋อเราตอบแทนพ่อแม่เห็นมรรคผลแต่ถ้าความเจ็บป่วยยังไม่หายเราจะพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างไรอ่าไม่ยากไม่ยากในยาแล้วแต่เหตุปัจจัยมีตังก็รักษาตปไม่มีตังก็ปล่อยนอนไปก่อนนะแล้วให้ธรรมะกับพ่อแม่นะพระผัดคุณลนะเนี่ยเจ็บป่วยปวดหนะ้าคุณจ้าถามทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะ ปวดหัวมาเกเจ็บท้องมากบอกพัทุนะตั้งใจฟังธรรมนะแสดงธรรมไปปั๊บเสร็จพระเจ้าก็กลับท <c oughs> ่านนบอกว่าหลังจากพระเจ้ากลับไปได้ไม่นานพระพัทุนะก็ทํากาละลงตายแต่ชีวิตรันผ่องใส ย, ยิ่งนักพระเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเราแสดงธรรมไปเนี่ยยังล่ายสั่งโยธาไม่ได้หลังจากแสดงธรรมแล้วล่ายสั่งโทธาได้แล้วพระองค์จงจัดบอกอ น, นิสงส์หกประการของการได้ยินได้ฟังคําศาสดาก่อนสิ้นชีวิต โยบต้องเอาคำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปให้พ่อแม่หรือคนญาติพี่น้องใกล้จะเสียชีวิตฟังนะนั้นอย่างในซีดีนะที่แจกไปให้เนี่ยเอาไปให้เขาฟังนะพระเจ้า บ, บอกว่าจะมีในสงผประการจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละสามลักษณะในสองกลุ่มนี้กลุ่มแรกก็คือเมื่อล้าสังโยชนธาไม่ได้จะละได้กลุ่มที่สองละสังโยชธาได้แล้วจะได้เป็นพระละหาันนะ ในสองกลุ่นี้จะมีสามลักษณะที่เหมือนกันหนึ่งได้ฟังจากศาสดาโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นำำําคําศาสดามาถ่ายทอดสามตัวเองระลึกถึงบทแห่งคําของพระศาสดาได้เองนะก็จะบรรลุธรรมได้นั้นอันนี้วิธีง่ายๆเลยโยมถ้าพ่อแม่เรายังนะไม่เคยปฏิบัติทําไม่อะไรเปิดซีดีพุทธวจะนะให้ฟังก่อนณขณะจิตหนึ่งที่เขาเข้าใจแก๊่เดียวแล้วก็ปฏิบัติตามจบเลยบรรลุธรรมได้แล้วพระเจ้าบอกการบรรลุธรรมของเขาเนี่ย ไม่ต่างจากผู้ที่บรรลุธรรมแล้วแม้ร้อยปีให้เป็นกลานมาร้อยปีคนนี้บรรลุธรรมตุ่มเท่ากันเข้าใจไหมอ่านั่งสมาธิแล้วเกิดทุกขเวทนาเหมือนร่างกายจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงแล้วไม่กล้านั่งอีกก็ไปนั่งทนทำไม้นะผู้เจ้าก็บอกให้เดินสลับนั่งนะนี้ก็ไปหาเป็นอตัตตากริมฐานุโยโคลนี่ไปหาตรมาณตน มีค <rude S 2> นบอกว่าก er, ําลังก um? ้าวข้ามแล้วให้ทําต่อไปไม่ไปเชื่อเขาโง่เลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวเผยๆว่าพิการนะนะโอ้ตายๆๆๆแต่ไม่ทราบจะไปทําที่ไหนอย่างไรโอ้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยหยุดเลยนะอ้าวทาไมชื่อสวัสดีเหมือนกันน่ะเบิ้ลคําถามมาอีกรอบนะนเพราะนั้นมันไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าบอกสอนนะ ที่เจ้าสอนพิสูจน์ยังสอนให้เดินสลับนั่งเลยโยมให้พิสูจเนี่ยหลังฉันแล้วเดินสลับตั้งไปจนกระทั่งซึ้นยามแรกแห่งราตรีสิบสองชั่วโมงครั้นยามกลางแห่งราตรีให้นอนอย่างราชศรีตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นนอนสี่ชั่วโมงตีสองตื่นตื่นมาแล้วให้เดินจนกลมสลับนั่งสมาธิมาจนทั่งเช้าอีกสี่ชั่วโมงรวมแล้วสิบชั่วโมงถ้ายอมนั่งอย่างเดียว่แข้งขาทะลุแน่เลยนะ แต่พี่เจ้าให้เดินสลับนั่งเดินเมื่อมานั่งนั่งเมื่อไปเดินเดินเมื่อมานั่งทาอย่างนี้แต่ให้ใจปาลารกความเพียนตลอดเข้าใจไหมโอ้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องดีแล้วมาเจอตะมาก่อนนะอืมไม่งั้นเสร็จแน่นอนนะอืมอยากให้าิจารณ์อธิบายเพิ่มเติมเรื่องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ แบบภาษาที่ง่ายเพื่อถ่ายทอดต่อโนั่นภาษาตรงๆแลยมนะให้พ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้มีศรัทธาในคำพระศาสดาเข้าใจไหมให้เขามีจาระมีการเสียสละนะมีการลกความเจตนีให้เขารักษาศีลมีศีลศีลห้าเนี่ยให้เขามีปัญญาคือปัญญาเห็นการเกิดดับว่าธรรมชาติในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะมีการแปลเปลี่ยนมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่เนี้ยสอย่าง ถ้ามารดาบิดาเข้าใจโยมจบเลยชาตินี้เรียกว่าจบกันแล้วน ะ, อะตอบแทนบุญคุณได้เสร็จเนาะถ้าปฏิบัติมรรคแปดแล้วในการแก้กรรมเมื่อตายไปต้องใช้กรรมอีกไหมก็มรรคแปดแล้วจบเป็นพระหลานหรือยังแหละถ้ายังไม่จบก็ต้องกลับมาใช้อีกหน่อยหนึ่งแต่ถ้าจบแล้วก็ไม่ต้องมารับกรรมอะไรอีกเพราะออกจากระบบของกรรมไปแล้วเข้าวิมุตติหลุดพ้นแล้วสังฆทานได้บุญเยอะใช่หรือไม่ ก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ก็อยู่ที่ผู้รับด้วยเด็กที่แท้งไปจากคันมันดาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราจะทำบุญไปให้เขาได้ไหมได้หมดทั่วโลกกับท่านนั่นแหละนะคนธรรมดาสามารถนิพพานในชาตินี้ได้ไหมได้แน่นอนถ้าโยมใช้บทอธิษฐานที่บอกไปให้หนังเอ็นกระดูกจักเลยอยู่นะอ่ารับรองได้แน่นอน ถ้าสามารถทําได้ขอแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานในชาตินี้ละนันทิอยู่กับลมหายใจทำสองอย่างนี้หรือพ้นแน่นอนนี่คือสุดยอดมรรควิธีแล้วผู้เจ้าสอนบ่อยมากในครั้งพุดการนะเราเอาวิธีที่เป็นหัวกะิมาเลยมาให้โยงนะง่ายๆคอยรักความเพลินเรื่อยๆตายแล้วเกิดใหม่จะอธิบายให้เด็กรุ่นใหม่เชื่อได้อย่างไรพิสูจน์ไม่ได้โอ้ได้แน่นอนนะไม่ยากหรอกต้องให้ศึกษาปฏิจจสุบาทก่อนนะอืม แต่อย่าบอกเด็กไปลองตายนะอตอนนั้นต้องให้เข้ารู้จักปฏิจจสุบาทโยมอันนี้ต้องอธิบายยาวนะอ่าเรื่องปฏิจจสุบัทที่ผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานนี่แหละที่อรรถมาภิบายไปนี่แหละโยมไปอ่านซะไล่ mm. เลียงเพราะนี่คือระดับเหตุของการเกิดขึ้น ข, นของชีวิตและระดับเหตุของการดับไปเข้าใจมอืมความเห็นที่ว่าไม่เชื่อเนี่ยมันจะหมดไปเลยเทวดาผีมีจริงหรือไม่ถ้ามีช่วย กรุณาอธิบายที่มาที่ไปด้วยมันเป็นระบบชีวิตที่อยู่ในสังสารวัตนี้ไม่ได้ตืน่นไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรที่ไม่น่าตื่นเต้นเพราะว่าเทวาก็ตายพรมก็ตายมนุษย์ก็ตายสัรนล ก, ก็ตายเปรตพิสัยเจริญฉันตายเรียบหมดผู้เจ้า อ, อธิบายเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาตราบตายถ้ายังไม่หลุดพ้นย่อไม่สามารถหลุดไปจากความแก่เจ็บตายได้เข้าใจมอืมนั้นผู้เจ้าเนี่ย เกิดมาเพื่อสอนให้โยมเนี่ยหลุดจากสังสารวัฏออกไปให้ได้นะทำยังไงจะหลุดให้ได้ไม่ต้องมาเวียนเกิดเปลี่ยนตายไปพรมไปเป็นพรหมพอหมดอายุก็ตายก็ยเหมือนโยมอ่ะอาจจะเคยเกิดเป็นสุนัขขี้เลื่อนมานะทำดีมาเกิดเป็นมนุษย์นะแต่พอเป็นมนุษย์ตายแล้วไม่ได้สร้างมรรคแปดทำความดีลายไว้ยังไม่ถึงโสดาบันก็กลับไปเกิดเป็นเบลสารเปรตวิสัยเหมือนเดิม เพราะสัตว์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเ en, นี่ยน้อยมากเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนะพระเจ้าเอาเล็บเนี่ยเคลียเศษดินขึ้นมาแล้วบอกดินในในมหาปตพีกับดินที่ปลายเล็บอันไหนามากกว่ากันซาบวกบอกป้ามหาปฐพีภภภภภมากกว่าพระเจ้าบอกนี่แหละมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่าเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บน้อยมากนะนั้นมีความเสี่ยงสูงมากโยนถ้าโยนยังไม่แตะโสดาบันเนี่ยโอกาสในการกลับมาอีกเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้น ใช้ชีวิตให้ส um, uh ุขสบายดีๆนะใช่ต้องผ่านหมดอืออือได้ได้ต้องผ่านต้องผ่านนะ ผ่านอยู่ในตัวอยู่แล้วผ่านอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองนะอ่าเข้ ม, มอ่าคำถามหมดแล้วมีอะไรไปถามต่อที่วัดได้นะหรือถามในเว็บไซต์ก็ได้นะเข้าไปในเว็บไซต์วัดนาป่าพง d o org นะก็ถามมาตอบสดให้มีการถ่ายทอดสดทุกค่าวันเสาร์ก็วันนี้สินะอ้ะวันนี้แหละอ่าค่าวันเสาร์ทุ่มถึงสามทุ่มนะ ก็ตอบคำถามจากทั่วโลกนะขีคำถามเข้าไปแล้วอาตมาจะตอบให้นะแล้วก็ช่วงเช้าถึงเที่ยงของทุกวันก็มีการถ่ายทอดสดให้ดูนะก็สามารถดูได้เนาะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ปากแม่ชีแจกของให้ได้ไหมพระเดีอรตามาต้องไปบรรยายที่ยุธพุทธิ ก, กัสมาคมที่ปทุมคลองสองต่อเนาะก็เลยอ่า ต้องประชับเวลานิดหนึ่งนะก็คงจะได้ความรู้กันพอสมควรนะก็เลยขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลรมสมาธิภาวนากันก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผล น, นิพพานในนรกได้โดยทุ่นากันทุกท่านทุกคนเพิ่อัญชลีวันนาอภิวา